เราจะพึงแสดงออกทางกายมันเป็นระงับความชั่วที่เราจะพึงแสดงออกทางวาจาเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูบชาจึงเป็นการเริ่มขัดเริ่มถูถ้าเพื่อเราซักเราฟอกเนี่ยเป็นการเริ่มขยี้เริ่มใส Swan, ผงซักฟอกเริ่มขัดเริ่มถูให้ผ้าผืนนั้นมันเริ่มสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไม่ให้ขี้ฝุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปสกปรกขี้ฝุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปสกปรก อาศัยสัยสยจจะตัวนี้แหละถือศีลโดยเฉพาะอย่างศีลเนี่ยสัยจจะถือไม่ให้ไม่ทําศีลใหม่ให้ด่างให้พร้อยเนี่ยเช่นอย่างศีลหนะ้าเราไปรับศีลห้ารับศีลห้าเสร็จแล้วเราก็รักษาไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยศีลก็จะบริสุทธิ์ศีลก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยด้วยการตั้งใจรักษามไม่ฆ่าสัตว์ มีโอกาสที่จะฆ่าแต่เราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์มีโอกาสอื้ออํานวยที่จะทําให้เราลักได้แต่เราไม่ลักมีโอกาสอื้ออํานวยที่จะทําให้เราผิดลูกผิดเมียของเขาของของท่านของเราเนี่ยเราก็ไม่ทําำนี่อาศัยสัจจะสัจจะตัวนี้เป็นเครื่องปิดเป็นเครื่องกั้นพราะว่าศิณ แต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราจะเปรียบกับเหมือนรูแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องทําให้น้ําทะลักเข้ามาทับท่วมหัวใจของเราถรือไม่ก็ทับท่วมเรือของเราน้ําคือน้ํากิเลนนั่นแหละน้ําอาสวะนั่นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอาสวะคือน้ําน้ําดองคือกิเลนโอคะเครื่องดองดองหัวใจของคนหัวใจของสัตว์ดองไว้ในวัฏฏะสงสาร น้ำนี่มันทะลักมาตามรูตามช่องพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาท่านมองเห็นว่าช่องนี้เป็นช่องที่จะทำให้เรามีกรรมเพิ่มให้เราถือศีลปานาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะการดื่มสุราเมรัยนะมันมันมาทำทำลายวัตถุวัตถุกายวัตถุคือกายวัตถุ ทำลายประสาททำลายสมองอพอสมองไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอย่างอื่นก็พลอยเสียไปหมดถึงแม้ว่าจะมีจิตใจดีแต่ว่าจิตใจมีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่ใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้เนี่ยจิตใจก็ไม่สามารถจะมาทํางานได้เต็มที่เหมือนอย่างคนวิกฤวิกการนั่นแหละคนเช่นอย่างคนดีๆเดี๋ยวไปกระทบสมองเนี่ยก็ทําให้เป็นบ้าใบ้ไปทําให้เงะ ง, ง, ง ะ, งะทําให้ เ ล, เ, ลเลือนเลือนหลงหลงลืมลื ม, มเสียระบบะเสียระเบียบในการพูดในการจาในอะไรไปหมด่ะมันมันผิดร่องผิดรอยของมันทั้งหมดเนื่องจะว่าไปกระทบถึงแม้ว่าจิตใจจะดีก็ไม่สามารถจะใช้สิ่งแบบนั้นได้เล่าก็เช่นเดียวกันของมึนเมาก็เช่นเดียวกันท่านจึงให้สงบจึงให้ระ ง, งับให้งดให้เว้น เนี่ยเพราะฉะนั้นผลนั้นจึงมีจึงมีการตั้งใจรักษาสินผลอันนี้สมจึงมีถ้าเราตั้งใจรักษาจริงจังเนี่ยรักษาสินรักษายิ่งรักยิ่งยิ่งกว่าชีวิตของเราเนี่ยผู้ที่ท่านมีศินมีธรรมผู้ที่ท่านได้คุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยสินเป็นเองคำว่ า, าเป็นเองคือมันมีเกตตนาวิรัตงดเวนมันเป็นเอง มันเป็นเองมันเกิดความร ะ, ะแวดระวังเองมันเกิดความเกรงกลัวเกิดความละอายกลัวผลไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะตามมาแต่อย่างพวกเราหนึ่งจะต้องอศรรรรราศัยสัจจะเอาไว้โอ้เราถือสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะเนี่ยเราทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกรักษาศีลก็ไม่ได้ผล ศินห้าข้อรักษาไปรักษาไปขาดหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เหลือสองข้อเนี่ยบางทีไม่เหลือสักข้ออต้องอาศัยสัจจะถ้าไม่มีสัจจะเราตั้งใจรักษาศินก็ไม่ได้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต้องอาศัยสัจจะเป็นเครื่องมัดเพราะสัจจะนี่คือคําดีแล้วที่เราตั้งเอาไว้เราจะนั่งภาวนาสักครึ่งชั่วโมง จะไม่พลิกไม่เปลี่ยนจะพยายามดํารงสติไว้ให้มั่นจะไม่ปล่อยให้วอกแกวกไปนู้นไปนี้พยายามรักษาสัจจะเอาไว้ในเมื่อเรามีสัจจะเราตั้งเอาไว้เนี่ยความกําหนดจดจ่อจำเพาะนามก็มีความกระแวดระวังความตั้งอกตั้งใจตั้งสติตั้งสัมผัสัญญามันก็มีสัจจะจึงมีประโยชน์สัจจะตอนนี้เป็นเครื่อ ง, บ, งบังคับเป็นเครื่องมา กล่อมมาเราให้งานที่เราตั้งใจจะทําน่ะประสบผลสําเร็จอี่คือการประพฤติปฏิบัติการให้ทานเราให้มากเท่าไรก็ตา ม, มการให้จะให้มากเท่าไหรก็ตามก็ยังอยู่ในขั้นทานอํานวยผลก็คือทําให้เราสะดวกสบายในการมีอยู่มีกินมีใช้มีสอย เป็นไปในวัฏสงสารไม่ฝืดไม่เครืองมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีอณนนิสงของการให้ทานแต่ว่ากิเลสส่วนละเอียดกว่านั้นไปอีกเราไม่มีวิธีที่จะระงับมันได้เรากําจัดได้แค่ความโลภแค่วัตถุทานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละอืมแต่สิ่งที่ละเอียดลึกมากไปกว่านั้นอีกเช่นอย่างเรามาพิจารณา เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางขันทั้งห้านี่มันละเอียดลึกเข้าไปอีกเราจะจะต้องเจาะลึกเข้าไปอีกจะต้องมีศินประกอบเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นตั้งใจมาเริ่มรักษาศินมันเป็นการมาปิดรูปิดรูรั่วปิดรูปิดช่องเพื่อไม่ให้บาปใหม่มันเพิ่มเมื่อบาปใหม่ไม่เพิ่มบาปใหม่ไม่เพิ่มบาปเก่าเราก็พยายามชําระออกเมื่อเราพยายามชําระออกมันก็ย่อมหมดไปได้ ของใหม่ไม่เพิ่มของเก่าเราเอาออกอมั่นปลายของมันมันก็ต้องหมดไปเรื่องธรรมดาการปฏิบัติในหลักของประธานทั้งสี่เนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ตรงตรงแนวเราปรีกไว้จากนั้นไม่ได้เราสามารถถือข้อปฏิบัติประธานทั้งสข้อเนาะมาเป็นข้อตรวจสอบเราได้ว่า วันๆเราได้ปล่อยให้กิเลสทะลักเข้าสู่หัวใจไหมเราเราตั้งใจจะพยายามจะเอากิเลสเก่าออกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปล่อยกิเลสใหม่ทะลักเข้าไปทับถมอยู่มันก็หมดไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะต้องไปพร้อมกันคือรักษาไม่ให้บาปใหม่เกิดขึ้นแล้วก็บาปเก่าที่ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจก็พยายามขุดคุยออกพยายามดึงออกลากออกหมายว่าพยายามพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ พยายามละพยายามลดพยายามล ะ, ยายาม ล, ะละความโลภละความโกรธเนีย่ยความโกรธความโลภกับความโกรธเนี่ยเราไปตั้งใจละทีเดียวก็ไม่ได้แต่เพียงแต่เรามากําหนดระลึกรู้สึกอยู่กําหนดจดจ่ออยู่มันก็สงบระงับได้อยู่แต่เราจะต้องมาคานึงถึงเหตุแล้วก็พิจารณาถึงสาเหตุต้นต่อด้วยเหตุใดเราจึงโลภด้วยเหตุใดเราจึงโกรธเนีย่ย เมื่อเราพิจารณาไปแล้วเราจะเห็นเหตุเราก็จะไปสงบไประนับที่เหตุนั้นได้คือการตั้งใจตั้งใจปฏิบัติย้อนดูพิจารณาเพื่อเพื่อเอาของเก่าที่มันมีอยู่มันเป็นอยู่ให้มันหมดไปของเก่าไม่ให้เข้ามาของใหม่เราก็ยางมาออกไปมันก็หมดมันก็ย่อมหมดได้เนีวิติกมะมักกิเลสวีติกมะมักท่านทรง ท, ท่านท่านท่านว่าวิติ ก, กรมะกิเลสกิเลสที่จะพึงก้าวล่วงออกมาทางกายทางวาจาก็คือกายการรมวิจีกรรมนั่นแหละวีติกะมะกิเลสอันนี้เราระงรับได้ด้วยศีลศีลจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะข้อปฏิบัติศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ด้วยศีลศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไม่ดีเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไม่มี พรหมจารย์นี้ก็จะเจริญงอกเหนยไม่ได้เหมือนอย่างศีลธรรมในพระศาสนาของเราเนีย่ยอาศัยศีลท่านบอกว่าพระศาสนาถ้าจะเสื่อมเสื่อมอะไรก่อนเสื่อมศีลก่อนท่านว่าเสื่อมศีลก่อนเพราะศีลเป็นระเบียบข้อบังคับที่ยังไม่หนักแน่นเน้นไปถึงตัวกิเลสในภายในใจทีเดียวเพียงแต่ ม, มาระ ง, งับกิเลสที่มันจะพึงก้าวล่วงออกมาทางกายออกมาทางวาจาเป็นกายทุจริต เป็นวจีทุติริศกิเลสมันก้าวล่วงออกมาถ้าเรียกว่าวิติ ก, กะมะกิเลสวิติกะมะกิเลสในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลแล้ววิติกะมะกิเลสเราก็สามารถต่อสู้กันได้อเป็นการขยเยอรกันไปขยเยอรกันมายื้อกันไปยื้อกันมาในที่สุดเราก็อยู่มันก็อยู่มัดเราได้ในเมื่อเราตั้งใจตั้งใจถือตั้งใจมัดด้วยสัจจจกมันย่อมจะถือได้ย่อมจะปฏิบัติได้อืม ที่กิเลสส่วนลึกเข้าไปอีกท่านเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสกิเลสที่มันมากลุ่มรุมใจเนี่ยอ่าก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละการนิวรัตทั้งห้านั่นแนหะท่านเรียกว่าวีติกมกิเลสอ่าอ่าปริยุทธฐานกิเลสกิเลสที่มากลุ้มรุมใจทําไมถึงมากลุ้มรุมใจก็ เ, เพราะว่าใจเราไม่มีหลักใจเราเปลือยเปล่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องมาปกมาป้องมาปิดมากัน้น อพอตาเห็นรูปกิเลสก็เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงกิเลสก็เกิดขึ้นอตาเห็นรูปครับก็ตามชังก็ตามกิเลสเกิดขึ้นแล้วะหูได้ยินเสียงชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสเกิดขึ้นแล้วเพราะเราไม่มีสติไม่มีสัมผชัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันตามที่มันมีตามที่มันเป็นสิ่งไหนที่ถูกใจชอบใจ เราก็ชอบแล้วก็ดึงเข้ามาสิ่งไหนไม่ชอบใจเราก็ผลักออกไปทั้งผลักเข้ามาาทั้งดึงเข้ามาทั้งผลักออกไปมันก็เป็นมันก็เป็นการแสดงแสดงแสดงผลแสดงผลเท็จเขาเรียกว่าไม่ทราบหลักฐานที่แท้จริงเป็นการทําตามหลักฐานเท็จหลักฐานเท็จที่กิเลมันแสดงออกให้เราให้ให้ให้เรา ให้เรารักให้เราชังแต่ถ้าเราดูถึงเนื้อหาที่แท้จริงของรูปที่เราเห็นแล้วเนี่ยดูถึงเนื้อหาของสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยสัจธรรมก็สักแต่ว่าเป็นสัจธรรมเป็นรูปก็เป็นรูปเป็นรูปสัตว์เป็นรูปคนเป็นรูปต้นไม้ภูเขารูปของสิ่งของต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นรูปมันก็สักแต่ว่าเป็นรูปดูโดยถึงอัดถึงธรรมจริงๆแล้วมันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไป รูปที่เราเห็นมันก็สักว่าเป็นรูปมันก็อยู่เฉพาะรูปใจก็อยู่เฉพาะเพาะใจไม่จาเป็นไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะไปรักมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะไปชังมันนี่ถ้าดูเห็นโดยธรรมแล้วเป็นนี้นี้แสดงว่าเราทราบเหตุผลที่ชัดเจนแน่นอนแต่ถ้าหากยังมีความรักยังมีความชังอยู่ยังเป็นยังยังเป็นเหตุผลที่เทจเทศจากเทศจากกิเลสมันพอนให้เรา มันพรางเราไม่ให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงในที่สุดเราก็เข้าถึงสัจจะไม่ได้เข้าถึงสัจะทําไม่ได้มันถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลวงสติปัญญาเราพรางใจของเราพางังพรางจิตของเราพังปัญญาของเราเห็นข้อเท็จจริงไม่ได้เราก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แค่นี้แหละต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันมากล่มรุมใจของเราทุกระยะทุกเวลาท่านเรียกว่า ปรยุทธานกิเลสกิเลสกลุ่มรุมใจมันทำให้ใจคิดคิดมากคิดไปคิดมาคิดคุยคิดจนฟุ้งคิดจนซ่านคิดจนเดือดคิดจนดานคิดจนมันรีรีมันขวางขวางจนเกิดความเครียดคิดมากทั้งจะคิดไปหน้าทั้งจะคิดมาหลังทั้งจะคิดเรื่องเก่าทั้งจะคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องนั้นโผล่ก็มาเนี่ยแบบนี้ก็เลยสับสน วุ่นวายภายในหัวใจเลยเครียดเพราะกิเลสมันพาเรานึกเราคิดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาปริยุทธฐานกิเลสเช่นอย่างนิวรทั้งห้าเนี่ยจะสงบระ ง, งับได้ด้วยการภาวนาสงบได้ด้วยการภาวนาสมถะภาวนาสมถะภาวนาก็คือทําใจให้สงบปกติใจมันจะวิ่งรับอารมณ์ทางตาวิ่งรับอารมณ์ทางหู แต่เราให้มันรับรับอารมณ์เหมือนกันรับอารมณ์ตามที่เราตั้งเอาไว้ให้มันตามที่เราเจตนาตั้งเอาไว้เช่นอย่างเราตั้งคำว่าพุทโธพุทโธให้ใจมันระลึกอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยไม่ให้มันไปนึกไปคิดเรื่อยเปลี่ยไปตามอำนาจของกิเลส<ม>ให้มันสงบอยู่กับอารมณ์อันนั้นนี่เป็นการผูกผูกมัด จ, จิตเอาสติเป็นเครื่องผูกเอาปัญญาเป็นเครื่องเอาสติเป็นเครื่องผูกเอาสัมปชัญญะเป็นเครื่องผูก ผูกอะไรผูกใจผูกใจหลักของมันก็คืออารมณ์นั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักพุทโธเป็นหลักเป็นตอเอามาผูกใจเชื่อของมันก็คือสติคือสามชัญญะผูกใจให้มันอยู่กับกับหลักกับต่ออันนั้นท่านจึงให้เราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อใจสงบกิเลมันแทรกไม่ได้ เมื่อกิเลสมันแทรกไม่ได้กิเลสส่วนปริยุท ธ, ธานักิเลสนี้มันมันก็แทรกจิตจิตเราไม่ได้จิตเราก็สงบได้เมื่อจิตสงบจิตจะมีความสุขจิตที่เคยดิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายเดือดรานรีรีควางขวางมันก็ค่อยสงบระ ง, งับหายไปเหลือแต่จิตที่เต็ ม, มเหลือแต่จิตที่อิ่มอิ่มเ อ, อิบเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขปีติคือความอิ่มอิ่มกายปีติคือความอิ่มใจที่ท่านเรียกว่า ของความสงบความสงบอันนี้นมันมีพลังความสงบอันนี้นเป็นพลังเราสร้างเราสร้างความสงบหรอความสงบมันจะเป็นจะเป็นพลังจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นถ้าเราจะพูดตามหลักก็เป็นเป็นชาญนะชั้นที่หนึ่งที่สองที่3ามที่4ี่คือความละเอียดลึกของจิตมันจะละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยอชั้นชั้นปฐมิชานชาญนแรกยังมีการดาริอยู่ จนยังพุโทโธพุธโทพธโธผู้ช่วใจมันดำริอยู่พุโทโธมีวิตกอยู่วิตกคําว่าพุโทโธนเป็นวิตกแล้วก็มีสัมพัญธยะมีสติมีสัมพัญธยะกากับสืบต่อเนื่องไปนี่เป็นวิจารวิตตกวิจารณมีวิตกวิจารณ์ทําไปเรื่อยๆประคับประคองอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่ยจิตเริ่มสงบพอจิตเริ่มสงบมันจะมีปีติมีปีติแล้วก็มีความสุขอันเกิดสืบเนื่องมาจาก จิตมันอยู่กับอารมณ์เดียวที่เ่าเรียกว่าเอกคตาเอกขตาแค่นี้เราก็มีความสุขแค่เราอยู่กับคำนำบุตรคำมาพุโทโธพุโทโธอันนี้คือปฐมนะเ้าเรียกว่าปฐมฌานเราทำได้แค่นี้เราได้ปฐมฌานฌานเบื้องต้นมันเป็นเหตุทำให้จิตเราได้รับความสงบมันมันจะเริ่มมีพลังสะสมแนบแน่นในหัวใจของเรามันมันเป็นพลังในตัวของมัน บางคนเคยสะสมมามีริษมีเดชมีอำนาจในความสงบอันนั้นสามารถสแสดงริษแสดงเดชได้ด้วยอำนาจของฌานเราอาศัยอำนาจของฌานคือความสงบของใจนี่แหละเป็นพลังเป็นพลังด้วยเหตุที่ว่าจิตมันอีบมันเออเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาทำลายความรุ่มหลงของตัวเองการพิจารณานี้ท่านเรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเกิดปัญญา พิจารณาให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารท่าในใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขารรูปรอบรู้ในกองสังขารนามใช้ปัญญาพิจารณานีคือความสงบเมื่อสงบแล้วก็ท่านให้พิจารณาสงบนั้นเป็นสมถะเราใช้ปใช้ความนึกคิดพิจารณาหาเหตุหาผลหาปัจจัยของมันเป็นเรื่องของปัญญาเป็นวิปัสสนาจากการ ตั้งอกตั้งใจทำํำนึกดําริตริตรองไข ค, ควณพิจารณาเหตุผลสาวไปสาวมากลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาดูไปดูมาจากปัญญาธรรมดาสามารถกลายเป็นปัญญายานได้เพียงแต่กาหนดนกระซือเข้าไปกลายเป็นปัญญาญานได้กลายเป็นวิปัสสนาญาณไดอ้อันนี้เป็นปริยุท ธ, ธานกิเลสคือภาวนาทําให้จิตได้รับความสงบ จิตสงบมันสงบจากอะไรจิตมันสงบสงบจากกิเลสกิเลสตัวไหนที่จิตมันสงบมันสงบจากกิเลสตัวไหนถ้าเราพูดตามหลักก็มันไข้ครวนเรื่องกามกามฉัทนทะพอใจไใข้ครวญเรื่องของกามทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งมันพันหัวอยู่นั่นแหละพันหัวนะพันหัวใจกามฉัทนทะพอใจนึกคิดเรื่องกาม pues, มันมันเป็นกามเกี่ยวเรื่องความ ก็ตามมันเป็นกามวัตถุวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเาเรียกว่าวัตถุกามความ่ข่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสกามกิเลสมันเกิดขึ้นในใจมันเป็นกิเลสกามมันมีความยินดีมันมีความผูกพันมันมีอะไรอยู่นั่นแหละมีความพอใจนี่กามฉันทะนี่ใจมันสงบจากกามฉันทะไม่ใจมันสงบจากพยาบาทพยาปาทะนี แล้วก็ใจมันไม่ไม่ง่วงเหงาหานอนใจมันไม่ฟุ้งซ่านไม่รําคาญอ่าแล้วก็ใจมันไม่ไม่ลังเลไม่สงสัยละได้ละกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะบุทัดจักขุกุตจะฟุ้งซ่านรําคาญฟุ้งซ่านฟุงนฟ้งจนเอาไม่อยู่จนเป็นเหตุให้รำคาญแล้วก็ละความสงสัยได้ทําไมจงึงละความสงสัยได้เพราะใจมันสงบ พอใจสงบแล้วมันมีเหตุมีผลในตัวมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวท่านจึงให้ทํำใจใสงบเมื่อสงบก็คือกิเลสสงบศินก็มาระ ง, งับกิเลสที่จะพึงร่วงเข้ามาทางกายทางวาจาสินห้าก็ตามสินแปดก็ตามศินของพระของเนรก็ตามสินพระสองร้อยย่ิบเจ็ดสินเนรสิบเนี่ยก็ตามเพื่อมา กำกับกายกำกับวาจาเพียงแต่นึกคิดทางใจไม่ผิดศีลให้เราให้เราเข้าใจไวพระเนเราก็เหมือนกันเพียงแต่เรานึกคิดทางใจไม่ผิดไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลนะคิดจะฆ่าคนคิดจะลักคิดจะขโมยคิดจะอะไรเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมนมันผิดธรรมต่อเมื่อเราลงมือทางแสดงออกมาทางกาย เอามือไปป๊กปอกอกหัวปลาเนี่ยน่าผิดศีลละฆ่าสัตว์ละเอามือยืดเข้าไปไปล่วงกระเป๋าล่วงอะไรเขาเนี่ยไปขโมยของเขาเน่นั่นน่ะผิดศีลละทำนึกคิดทางใจแล้วก็ทลักออกมาทางกายทลักออกมาทางวาจาเนี่ยจะผิดศีลกายวาจาจะต้องประกอบกันเกี่ยวกับเรื่องศีลนึกคิดในใจอย่างเดียวไม่ผิดศีลไม่เกี่ยวกับศีลแต่เกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับ เกี่ยวกับธรรมเนื่องจากว่ากิเลสในใจของของเราของท่านมันมีเต็มแปร่อยู่ในหัวใจเราจะสงบระ ง, งับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่มีแบบไม่มีแผนให้ให้มันทํางานไม่ได้จะต้องมีแบบมีฉบับทํางานแบบฉบับก็คือสมถะก็คือวิปัสสนานั่นแหละสมถะก็คือทําใจสงบออกมาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้เกิดปัญญาเกิดเกิดปัญญาญานวิติกมะมักกิเลสปริยุทธานกกิเลส วีติกมาเกลตปริยุทธานาเกลิด<ม>แล้วก็พวกอาสะวะกเกลตที่มันดองอยู่ในหัวใจนี่นก็ต้องใช้ปัญญา<ม>สินปราบกเกลตที่จะพึงทะลุมาทางกายทางวจชาสมาธิปราบกเกลตที่มันทำให้จิตใจเราวุ่นวายที่ท้าเรียกว่าปริยุทธานิเกลตปัญญาปราบอวิชชา ปราบอาวิชชาอวิชชาสวะภวาสวะอวิชชาสวะปราบทิฐิปราบมิจฉาทิฐิปัญญานิปราบมิจฉาทิฏฐิการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฐิเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงตามที่มันมีตามที่มันเป็นแต่ถ้าหากไม่เห็นเห็นไม่ถูกเห็นไม่ตรงเห็นไม่ถูกต้องตามที่มันมีมันเป็นมันก็ไม่ใช่สัมมาทิฐิไม่ใช่ความเห็นชอบมันเป็นความเห็นผิด เพราะฉะนั้นการโต้การเถียงกันทะเลาะเบาแวงกันจึงมีได้เพราะคนหนึ่งรู้วัตถุเดียวกันคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าทิฐิมันละเอียดมันหยาบแตกต่างกันมีความรู้มีสติมีปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเห็นจึงไม่ลงกันคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งเห็นเหลี่ยมหนึ่งคนหนึ่งเห็นเหลี่ยมหนึ่งคนหนึ่งเห็นชั้นหนึ่งคนหนึ่งเห็นชั้นหนึ่งด้วยเขาเห็นชั้นสองลึกเข้าไปอีกด้วย อีกคนหนึ่งเห็นชั้นสองด้วยเห็นชั้นหนึ่งด้วยชั้นสองด้วยเห็นลึกก็ไปเป็นอีกชั้นสามอีกด้วยแต่คนหนึ่งเห็นแค่ชั้นหนึ่งชั้นสองไม่เห็นคนสองก็แค่เห็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นที่สามไม่เห็นแต่คนที่สามเห็นชั้นที่หนึ่งด้วยชั้นที่สองด้วยชั้นที่สามด้วยทิฐิมันลึกมันละเอียดแตกต่างกันอย่างนี้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่การฝึกขวนอบรมจิตใจของเราให้เกิดความรอบรู้เกิดสติเกิดปัญญาวิชานี้เป็นวิชาของพระพุทธเจ้าทัานสอน เราศึกษาเข้ามาที่ข้างในเนี่ยเพื่อมาชะมาล้างมาซักมาฟอกจิตใจของเราเนี่นี่ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติถ้าเราตั้งใจทําตามนี้ก็คือเป็นปฏิปติปูชาเป็นการบูชาด้วยข้อปฏิบัติการบูชาด้วยข้อปฏิบัตินั้นมันเป็นการขัดเกลา่าได้ผลเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองชําระไปได้เท่าไหร่จิตใจของเราก็มีสัมมาทิฏฐิขึ้นเท่านั้น ชำรบไปได้เท่าไรจิตใจของเราก็มีสัมมาทิฏฐิขึ้นเท่านั้นโลกนี้นี่ที่เราเกี่ยวข้องกับโลกเนี่ยเราหมุนไปตามโลก เ, ลเป็นไปในวัฏสงสารเนี่เนื่องจากว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่คําว่ามิจฉาทิฏฐินี้คือคือมิจฉาทิฏฐิหลงเพลินไปตามอํานาจของกิเลสนะไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิแบบพวกพราหมณ์เขาพวกพราหมณ์าเขาบอกว่ า, วามิจฉาทิฏฐิของเขาก็คือเขาบอกว่า พ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณอบุตรเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไอ้พวกลัที่นอกศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีเห็นว่าทำชั่วไม่ได้ชั่วอันนี้รุติยาตนทรงตรัสว่าพวกมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐิที่พยายามอธิบายอยู่นี้ คือเรามิจฉาทิฏฐิตามอำนาจของกิเลสเราใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจิตใจของเราก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิคือรู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเห็นยังไงเห็นจริงตามที่มันมีตามที่มันเป็นมันมีอยู่ยังไงมันเป็นอยู่ยังไงเราเห็นอยูมม่อย่างนั้นตามมีอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นว่าอย่างนั้น รู้ข้อเท็จจริงในเมื่อรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุเป็นสมุทัยเราก็สามารถแก้ถูกอ๋อเหตุนี่แหละเป็นเหตุได้เราได้เกิดความทุกข์เป็นเหตุได้เกิดกองทุกข์เราก็สามารถดึงออกได้ดึงออกได้อันนี้แหละเป็นรุ่นฟืนเป็นรุ่นฝ่ายเราก็สามารถดึงอันนี้ออกได้ดึงอนี้ออกได้เป็นการชะเป็นการล้างเป็นขัดเกลาเป็นการขัดเป็นการเกลานี่เป็นเรื่องนามมัธรรมไปในหัวใจเท่านั้นะทํำไมเราจะชําระจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติเราตั้งใจปฏิบัติผลอันนี้สองเกิดขึ้นที่ตัวของเรามีผลเหมือนสงเป็นปฏิปฏิปูชาเนี่ยมันได้ผลเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเหมือนบันไดนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาเวียนเทียนเนี่ยเพื่อเป็นการน้อมนึกระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันสาคัญ อย่างระยะหลังนี่ยเขารู้สึกจะประคมให้ให้ทําวิสาขะบูชาเนื่องจากว่าโครงการสาพพชาชาเขาประกาศไปทั่วโลกให้วันเนี้วันไว้วิสาขะบูชาเป็นวันเปน็นวันวิสาขะบูชาโลกทั่วทุกทั่วทุกประเทศที่นับถือพุทธเนี่ยเขาจะมีการระลึกร ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงวันประสูติตรัสรู้พระนิพพาน การทั้งสามการเนี่ยตกลงในวันเดียวกันคือคือวันวันเพ็ญเดือนหกวันนี้เป็นวันคล้ายคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้าประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ท, ทุกวันนี้อยู่ที่เนปาลเนี่ยทุกวันลุมพินีวันน่ยอยู่ที่เนปาลเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในป่าป่าลุมพินีพระพุทธเจ้าเกิดในป่าประสูติในปา่าทําไมท่านจึงต้องไปประสูติในป่าพวกเราก็บเจ้า เนื่องจากว่ามารดาของท่านต้องการไปประสูติต้องการไปคลอดนางศิริมาหามยาต้องการไปประสูติพระโ อ, อรสที่เมืองเมืองอะไรเมืองของแม่เน่ยเมืองอะไรเทวทาต้องการไปประสูติที่เมืองเทวธหะเดินไปได้ในระหว่างไปถึงอุทยานลุมพินีก็ประสูติที่นั่นสูตดออกมาง่าย ไปดเราไปอันดูตามทรรนานประสูติแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้าเจ็ดพระบาททุกอย่างนี้เป็นปริศนาเท่านั้นไปศึกษาดูเป็นปริศนาเท่านั้นถ้าเราจะยกให้ว่าเป็นความอัศจรรย์ของอัจฉริยะบุคคลก็ได้คนออกมาแล้วก็เดินได้แม้แต่ไม่ใช่คนออกมาก็ยังเดินได้เลยพวกลูกวัวลูกควายเนี่ย ตกแพเดียวสร้อยนีเดี๋ยวมันลุกเดินนะ ว, วิ่งดกด๊อกดอกดอก ด, อกดอก๊นั่นสัตว์เดียวเลยฉานก็เดินได้มนุษย์ที่อัดจัตระยะนี่มันไม่มีเรื่องแปลกอะไรที่ออกมาแล้วก็เดินได้อา่าคลอดออมาแล้วก็เดินได้พระพุทธ เ, เจ้าตามธรรนานก็ว่าท่า น, า น, าาานพระนาซีมหามายาประสูติออกมาแล้วท่านเดินได้เจดเก้าเจดเก้าวแล้วเปล่งพระวาจาด้วยนะอัปโณหมัสสมิมโลกาาัสสะ เทโสหมัสสมิโลกัสสะเสถโหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมใครเคยเห็นพระพุทธรูปปางประสูติพระพธเจ้าประสูติน่ยไปที่อินเดียไปช่วงหลังนี่เขามีรูปรูป เ, าเขาเรียกว่า เบบีบุตรดาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนปางประสูติอ่ะมือหนึ่งชี้ชีฟ้ามือหนึ่งชี้ดินมือหนึ่งชี้ลงฟ้ามือหนึ่งมือหนึ่งชี้ลงดินแล้วเปล่งาาวาจาอัโกหมัสมิโลกัสสะเศธโถมัสมิโลกัสสะเปล่งวาจาเราเลิศที่สุดในโลกเราประเสริฐที่สุดในโล ก, ลโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เป็นภพระวจาอันนี้ก็เป็นคติอันนึงแล้วก็ฟังไวมีวันประสูตวันตรัสรู้ตรัสรู้ก็ตรงกับวันเพ็ญวันหกเนี่ยตรัสรู้ที่อุรุเวลาเสนานิคมที่โคนพระศีมหาโพธิ์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอยู่แขวนราชจจครึกแขวนราชครึก ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ราบเรียบเป็นร่มเป็นเงามีทรายมีป่ามีน้ํามีอะไรตอะไรเป็นที่ร่มรื่นดีพระองค์ไปเห็นเตอนไปปกักหลักทําความเพียรเน่ะพระองค์ไปเห็นแล้วก็เอ้ยสถานที่ตรง น, นี้ร่มรื่นดีเหลือเกินมีเนินทรายมีลําน้ํามีป่ามีต้นเล็กมีต้นใหญ่รู้สึกว่าบรรยากาศร่มรื่นดีมากในส่พระองค์ก็ตั้งใจทําความเพียรตรงนั้นตําบล อ, อุรุเวลา อ, อุรุแลลว่าทราย เป็นนิคมรุนิคมสายเวลารู้เวลาเสนานิคมทาความเพียนอยู่ตรงนั้นจนถึงวันนี้จนถึงวันเพ็ญเดือนหกนี่แหละทำผิดทำถูกลองผิดลองถูกตั้งแต่ออกบวชมาเนี่ยเสียเวลาไปหกปีแต่ก็ไม่ใช่เสียเวลาเฉยพระองค์ก็ได้ความรู้เพิ่มเพิ่มเช่นอย่างไปฝึกแบบทำทุกกระกิริยากับพวก ดาบทกับพวกอะไรตัวไรเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหนทําได้หมดแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้ได้เป็นรูุ้ธรรมไปเรียนความสงบกับอุทกดาบทกับอาราธดาบทจนได้สมาบัตแปดคําว่าสมาบัตแปดก็คือได้ทั้งรูปประชาญได้ทั้งอรูปปะชาญได้ทั้งรูปปะชาญสีได้ทั้งอรูปปะชาญ ส, ปปาสีโอ้ยิ่งใหญ่ละจิตเข้าถึงอรูปประชาญเนี่ยไม่ใช่จิตธรรมดาแล้วเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่มากอื แต่ก็ไม่ให้หนทางตัสูโอกาสที่จะพิจรารณาเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมสมใจหวังที่เราออกมาบำเพ็ญเนี่ยมันยังก็เลยออกออกไปบำเพ็ญโดยลาพังออกไปบาเพ็ญโดยลำพังสมัยนั้นทำหมดละอดเท่าไหร่ก็อด อ, อดอจนตัวเนี่ยพร้อมสู้ซี่เดินไปไหนโซเซเหลือแต่ น, นังหุ่มกระดูกนะจะลม้มหูลม้มออกหู จนจะล้มจะตาเนี่ยพวกปัญจวัคคีย์ก็ตามดูหวังว่าพระองค์จะบรรลุเมื่อไหร่บรรลุเมื่อไหร่แล้วจะได้สอนบ้างตอนหลังมาเออไม่ได้หรอกผลทางนี้ไม่ใช่ลแล้วแหละก็เลยกลับมาเสวยพระกาหารปัญจวัคคีย์เขาก็หมดหวังนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นพระองค์เด็ดเดียวอทรมานเด็ดเดี่ยวตอนนี้พระองค์กลับมาเสวยพระกาหารก็เลยเสื่อมเสื่อมศรัทธาหมดศรัทธาพากันหนีหนีจากพระองค์ไปพระองค์ก็มาเสวยพระกาหาร พอให้ร่างกายมีกำลังวังชาเพื่อไม่มันทับใจจนเกินไปวา ง, งั้นเถอะร่างกายมันทรงตัวอยู่ยากมันกระทับจิตใจจิตใจก็ทำความเพียรไปได้ยากพระองก็กลับมาบำรุงร่างกายให้มีกำลังวังชาพอสมควรแก่การทำความเพียรปัญจวัคคีย์กนีไปอยู่ที่ไปสิปัตนมฤคไทยวันน้นหลังจากปัญจวัคคีย์หนีไปพระองค์ก็โดดเดี่ยว โดดเดี่ยววิเวกวังเวงไม่มีใครไปกวนนะนจนถึงวันนี้คืนวันเดือนหกเพลนเนี่ยตอนกลางวันก็ไปบินตบาดตอนกลางวันก็ตอนกลางวันก็ตอ น, ตอนตอนวันนั้นตอนเช้านางสุชาดารับข้าวมาทุปายาทของนางสุชาดาพระองค์ก็นั่งอยู่ที่ต้นโพนั่นแหละ นางสุจาดาก็ให้คนใช้ไปดูที่ต้นโพเพื่อที่จะไปบนแก้บนว่างั้นเถอะไปเห็นรุ่งในเจ้าวันนั้นเป็นวันที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยมันจะเป็นเหตุให้สรีระของพระองค์นี่เปล่งมีรัศมีดูแล้วนี่ยสวยงามจับจิตจับใจพอนางทาสีไปเห็นโอ้ดีอกดีใจไปบอกนางสุจาดานางสุจาดาก็เตรียมข้าวมัทุปายาตใส่ถาดทองมามาถวาย ที่ว่าเป็นเทวดานะไม่คิดว่าเป็นคนนะคิดว่าเป็นเทวดาเพราะเคยไปบ่นไว้ไม่มีลูกถ้าได้ลูกแล้วจะแก้บน่นจะเอานุ่นมาให้จะเอานิมัสถวายพอดีไปมีลูกก็เลยมาแก้บน่น ค, คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเพราะพระรูปของพระองค์ก็เปล่งรัศมีร่างกายพระพร ะ, พระกายของพระองค์เนี่ยมีรัศมีสองการการจะตัดสรู้หนึ่ง การจะปรินิพานหนึ่งวันจะปรินิพานก็เหมือนกันลักษณะนี้เปล่งสว่างสวัยร่างกายของโบลเหมือนเปลวทองเน่ะปั๊ป๊บปั๊บปวันนั้นก็เช่นเดียวกัน่ะเลยรับข้ามทุปายญาตแล้วก็เดินไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราไม่ใช่อนโนมานะเนรัญชราบางคนอนโนมากับเนรัญชราเนี่พูดสับ ผิดสับผิดสับถูกอนโน ม, มาก็คือเป็นฝั่งแม่น้ําที่พระองค์บวชกับมากันทกะนั่นอนโนฝั่งน้ําอโน ม, มาแต่พอไปพอไปลอยถาดเนี่ยไปเสวยพักายารแล้วก็ลอยถาดที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาาเนรัญชาาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ติดตดกับโน่นนะมหาโพน่ะเราเดินออกมาสัหน่อยกับมีแต่ทรายเต็มไปหมดสุดลูกหูลูกตามีแต่ทรายแม่น้ําเนรัญชาาแม่น้ําไม่มีเราไปอินเดียสองครั้งก็ไม่เห็นมีน้ำอ่ะ แม่น้ําในรันชาลาเนี่ยยางมากที่สุดก็ก็มีเป็นร่องนิดหน่อยไหลนิดหน่อย น, อน้ำเป็นเดินทรายทั้งมดแต่ก่อนน่าจะไม่มีทรายแต่ก่อนน่าจะมีน้ําไหลเต็มเกลื อ, อแม่น้ำไหลไหลสายที่อินเดียเนี่ยมีแต่ทรายเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่พมา่าไปอินเดียเรานั่งเครื่องบินเราเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นแม่น้ำเนี่ย เห็นเป็นทางเหมือนทางเหมือนทางรถเหมือนทางอะไรเลยนะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นขาวโพลนไปหมดเพราะมันมีแต่ทรายน้ํามันลุกไปไหนหมดะมิแต่ทรายแต่แม่น้ําบางแม่น้ําเนี่ยเป็นแม่น้ําที่อยู่ลึกหน่อยก็มีมีน้ําอยู่เช่นอย่างที่พม่าแม่น้ําอิราวัดีเนี่ยเห็นโอ้แม่น้ําใหญ่มากอิราวัดีอินเดียก็คงคาพม่ากับอิราวัดี แต่โครงคานี่ใหญ่ลึกอีเราก็ดีบางช่วงก็ลึกบางช่วงก็กว้างตื้นเห็นถ้าเรานั่งเครื่องเราจะเห็นเห็นเป็นทางเลยคือทรายเ น, นรัญชราก็เหมือนกันมมิตทรายวันนั้นพุทธเจ้าไปสวยพระพิหารก็ลอยถาดตั้งอธิษฐานถ้าจะตรัสรูไ้ได้บรรลุธรรมขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำลาก็ถาก็ลอยทวนไป ลอวนไปได้สักพักหนึ่งกัวนไปเจอตรงที่น้ำวนก็จมลงในวันนั้นพระองค์ก็ยังไม่กลับต้นโพนะเดินนั่งนั่งเดินเดินอยู่ทางน้นแหล ะ, จ น, ะนจนตะวันขําจนตะวันข้าเดินกลับเดินกลับมาที่ต้นพระสีมาโพที่ที่พระองค์เคยนั่งอะ่ะพอดีมีคนถวายหญ้จาจญาคาสองกรรมอยาาสองกรรมหรือแปดกรรมอะ่ะ ถวยยาถวายยาคามาพระองค์ก็รับรับแล้วก็มาปูเป็นที่นั่งนี่แหละพวกพรามก็เลยถือเป็นของขลังนี่แหละเอาอยาคานี่แหละมาเซ่นน้ำมนต์ขลังแท้ๆพระพุทธเ จ, จ้าเอาไปปูเป็นเป็นบรรลังนั่งได้ตรัสรู้ธรรมหลังจากนั้นมาก็หันหลังหันหลังเข้าหาหันหลังเข้าหาต้นโพหันหน้าเอ๊หันหน้าไปทางไหนวะ หันหน้าไปทางที่ตะวันออกหรือทิศไหนฮะทิศตะวันออกบ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหลังไปทางทิศตะวันตกบ่เออเราเคยดูยังไงเนาะเราก็คล่องใจอยู่ตรงนี้หันหลังหันหน้าไปทางไหนไปไปไปดูดูอีกนะทําความสงสัยเอาไว้ดูอีกหันหน้าหันหน้าไปทางไหนแน่เสร็จแล้วก็ตั้ง อธิษฐานเนื้อเลือดเกล็แท้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็าตามจะไม่ยอมลุกนี่ตั้งสัจจะตั้งสัจจะพระองค์บรรลุโดยสัจจะสัจจะอันนี้ฉันเรียกว่ามหาอะไรนะมหาประธานามหาประธานอะไรเนี่ยสัจจะมหาประธานอะไรเขาเรียก มาถามกันมันเป็นคําแปลกใหม่อมคือคือตั้งสัจจะทั้งสี่นี่แหละเนื้อเลือดเหื่อแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกสามสี่อย่างเนี่ยก็ตามจะไม่ยอมลุกถ้ายังไม่ได้ตัดสรุปทำจะไม่ยอมลุกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามนี่คือสัจจะคือเนี้ยวันเพ็ญเดือนหกนี่แหละคล้ายกับวันนี้แหละนีพพางก็ดํารงกายมัน่นจิตก็เข้าถึงระลึก เข้าลึกเข้าไปตั้งแต่ความสงบนี่แหละจนสามารถจนสามารถระลึกชาติได้มีญาณได้ระลึกชาติได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติปามก่อนได้ในปฐมยามชาติต่างๆที่ปองเคยเกิดเคยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก้เจยบตายเกิดแก่เจ็บเกิ ด, เ, เ, ก ด, เ, เ, กดเป็นคน เ, คเกิดเป็นสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ เ, เกิดอยู่ยังไงอยู่ทุกข์ทรมานยังไงเสวยบริโภคปัใจจัยใช้สอยอะไรยังไง แจมแจ้งมาเหมือนกับอยู่จำเพาะนั่นเนี่ยมันเป็นยานเพียงแต่คำหนดจิตไปมันก็รู้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหมือนกับเราดูทีวีอะไรอันนั้นโผล่มาอันนั้นโผล่มาอันนั้นโผล่มาอันนั้นโผล่มาท่านเรียกว่าปุเพนิวาสานอุสติยานก็ลึกชาในปากก่อนทั้งหลายทั้งปวงก็นลึกได้ เห็นชาติของโป่งเน่ยเกิดแล้วเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดเป็นคนเกิดเป็นสารเกิดเป็นอะไรเกิดแล้วโอ้จนน่าเบื่อหน่ายพบชาติที่เกิดน่ะมียามตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสี่สี่สี่ทุ่มจากสี่ทุ่มไปถึงตีสองเนี่ยถ้าเราจะแบ่งเป็นมัดชิมยามอันนี้ก็ได้บรรลุญาณอีกอันหนึ่งจะตูปารตญาณนอกจากเห็นการเกิดการตายของของ ของพระองค์แล้วก็เห็นการเกิดการตายที่เรียกว่าจุติอุบัติจุติอุบัติของสัตว์จตุปะปัตยานเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวนเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายรู้หมดว่าสัตว์ตัวนั้นเกิดที่นู่นด้วยเหตุกรรมนั้นมาเกิดที่นี่และตายจากที่นี่จะไปเกิดที่นู่นรู้หมดรู้ไปทะลุผุโปรงทะลุผุปรงหมดไม่ต้องมีใครบอกเกิดความรู้เกิดขึ้นมาที่ใจเรียกว่าจตุปะปัตยาน ยามที่สองจากตีสองไปถึงจากตีสองไปถึงสว่างาท้าเรียกว่าปัดชิมยามพอได้ประสบการณ์พบชาติของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดได้ประสบการณพบชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ้นสุดเกิดความเบื่อน่าในการเกิดในในการเกิดก็เลยส่องสอแงหาว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดที่แน่นอนแน่นอน สอไปสอบมาสอบมาสอบไปสอหาการเกิดก็เห็นถ้าเกิดตายเกิดตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นทั้งภพชาติของพระองค์ทั้งภพชาติของสัตว์ทั้งหลายสอบไปสอบมาสอบมาสอบไปมันก็เข้าหลักไล่สาวหาปัจจัยการสาวหาเหตุสาวหาปัจจัยสาวสาวไปสาวมาสาวมาสอบไปนะปัจจิมยามก็ได้ตรัสรู้ มียานั้นหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเหตุรู้ว่าพระองค์เนี่ยสิ้นจากอาสวัรเรียกว่าอาสวะตรขยายานอ า, อาสวะทั้งหลายหมดไปสิ้นไปอาสวะขยะขยะแปลว่าหมดไปสิ้นไปอาสวะตรขยายานมียานรู้ว่าอาสวะที่มันดองพระองค์ไว้ในภพในชาติมันหมดไปจากระไทยของพระองค์เกิดยานอันหนึ่งเกิด เกิด ค, ความรู้ขึ้นมาโอ้ององก็อู้ อ, อ, อ, อุทานขึ้นมาพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วชาตินี้เป็นที่สุดของเราแล้วกิเลสทั้งหลายทั้งปวงบรรดาสภาพที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยแตกระเจอเหือดแห้งหายไปหมดแล้วเหลือแต่ปัฏฐานที่บริสุทธ์ทำอาสวักิเลสทั้งหมดสิ้นไปจากขันธสันดานเพราะมาไล่นี่แหละ พอเวลาท่านมาไล่ท่านก็นมาไล่แหะถ้าเราจะไล่ย้อนหลังเราก็ย้อนไปจากความตายอะความเศร้าโศกเช่นอย่างเราเศร้าโศกเพราะคนตายเนี่ยทำไมจึงเศร้าโศกทําไมจึงเศร้าโศกเพราะตายทําไมถึงตายเพราะมาจากเกิดทําไมจึงเกิดก็เพราะมีที่เกิดทําไมจึงมีที่เกิดก็เพราะยึดเพราะถือที่เรียกอุปาทานทําไมจึงมีอุปาทานอ่าทำไมจึงมีอุปาทาน เพราะมีตันหาคือความอยากความอยากนี้เราดูแล้วเราดูที่ใจของเราแล้วเราจะเห็นมันดินรนอยู่ในนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวเชือ้อความอยากนี่นะเป็นตัวเชื้อที่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยใจของใครของเราถ้าพยายามนั่งดูเราจะเห็นความอยากความอยากมันดินมันกระดุกกลิกไปไหนแต่ละแต่ละแต่ละแง่แต่ละแต่ละ ต่ละขณะแต่ละขณะแต่ ล, ขตลขนนะขณะมันไปด้วยอำนาจของความอยากเราเราลองเราลองพิจารณา ด, ดูแต่ถ้าท่านชำระจนความอยากหมดไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามขณะของไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังความไม่คงที่ของมันแต่ในขณะที่อนิจจังแสดงตัวนั้นเนะ่ยความอยากมันจะสวมรอยเข้าไปสวมรอยเข้าไปทุกขณะลองนั่งดูให้เห็นเถอะลองนั่งดูให้เห็น ความอยากนึกไปบ้านอะ่ะลองดูดิลองตามไปดูดิเอ๊นึกไปบ้านย้อนไปเอ๊มันเป็นเพราะความอยากจริงๆหรือเปล่าอลองย้อนดูเราจะเริ่มเห็นจะเริ่มเห็นนี่แหละตัวนี้แหละตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุ ป, ปาทฐานทําไมถึงยึดถึงถือเพราะมีความอยากทําไมจึงมีความอยากเพราะมีการสัมผัสคือตาสัมผัสรูปเนี่ย ทำไมจึงมีสัมผัสเพราะมีรูปแล้วก็มีนามทำไมจึงมีรูปมีนามเพราะมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามารูปวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามารูปวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณหาต่หมายถึงตัวจิตนั่นแหละแต่ว่านามารูปวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามารูปนามารูปตัวนี้หมายถึงขันธ์ทั้งห้า ส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามเนี่ยพอเรามีวิญญาณปั๊บวิญญาณมันก็หาที่เกิดมันก็ต้องมีเช่นอย่างเรามาเกิดในใน ใ, ในสภาพความเป็นมนุษย์มันก็ต้องมามีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามนี่แหละรูปกับนามนี่แหละมาจากวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป วิญญาณนี้มาจากอะไรวิญญาณนี้ก็มาจากสังขารเนื่องจากว่ามันยังมีสิ่งปรุงสิ่งแต่งอยู่ยังชำระยังไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปรุงสิ่งแต่งอยู่ที่เรียกว่าเป็นสังขารแต่ถ้าชำระจนหมดสิ้นไปแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าวิสังขารไม่มีสังขารมันถ้าเป็นถ้าเป็นเมล็ดพืชเป็นเมล็ดพืชที่ตายได้นั่นแหละเอาไปปลูกเอาไปอะไรก็ไม่เกิดอีกแล้วแหละแต่อันนี้มันยังมันยังเกิดอยู่เพราะมันมีสังขาร สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยสังขารมาจากไ ห, นม า, าก น, หม น, นมาจากอวิชชาโอ้ทีนี้แหงมืดตึ๊บเลยเนี่ยสังขารมาจากอวิชชาอวิชชาแปลตามตัวนัสือแปลว่าความไม่รู้ถ้าเราจะคิดลึกละเอียดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะไปแล้วเราถึงจะเข้าใจอวิชชาคือความไม่รู้โอ้ความไม่รู้ของเราเนี่แหละ มันเป็นเหตุให้เราคิดเป็นเหตุให้เราปรุงแต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดหยุดปรุงลองดูดิลองดูในใจของเรานะผู้ที่ตั้งใจภาวนาจะเห็นผู้ที่ตั้งใจภาวนาจะเห็นพอมันปรุงปั๊บเรารู้ทันเนี่ยสังขารมันดับมันหยุดมันหยุดปรุงมันหยุดปรุงผู้ที่ทำหน้าที่แทนคือสติคือปัญญาทาหน้าที่แทนอ ย, อยู่อย่างนั้นสวางอย่างนั้นรอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้น ความรู้ตัวนี้แหละเป็นวิชาแต่ถ้าหากเราไม่รู้ท่านว่าอวิชาอวิชานี่เรานอกมาใช้ตรงนี้ก็ได้เรานอกมาใช้ตรงนี้ก็ได้นี่วิชาก็คือความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่เข้าใจความไม่ทันไม่รู้เท่าทันกิเลส ท, ที่มันแสดงมาที่จิตพอมันแสดงมาปับ๊บจิตมันก็จับจับแล้วมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้แหละลงไปถึงไหนก็ไม่รู้แหละ เรื่องไหนที่มันติดใจมันชอบใจมันพาไปปรุงไปนึกไปคิดถ้าเพื่อเป็นถ้าเพื่อเป็นของกินเราไปกินจนหมดถ้วยหมดจานจนเกลี้ยงแล้วเหลือแต่าจานเปล่าๆแล้วกว่าเราจะรู้รู้สึกตัวมันรู้สึกตัวได้ยากรู้สึกตัวไม่ได้พระฉะนั้นพุทธเจ้ า, จาท่านจึงส่งสอนหลักอันนี้ว่าเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทมันเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น แต่เวลาได้มนรษยธรรมมันก็มันลุพื้นเดียวแต่พระองค์มาทรงแสดงให้เราทราบท่านก็นจะมาแสดงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอันนี้เรามาเทียบในข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ตราบใดเราพลั้งเผลอเราขาดสติขาดชั้นพระจันทรเน็ตพอมันปรุงปับ๊บพอจิตมันปรุงปับ๊บมันพลิกขณะของจิตปับ๊บกิเลสไม่จับปับ๊บ กิเลมันจับกเลสมันจับจิตนะมันก็ไปตามจิตแล้มันก็ไปตามเกเลสเละพอกิเลสมันมาเกาะแล้วมันไปตามเกิเลสเลยได้สิเนี่มันไปปรุงไปนึกไปคิดไปอะไรเหมือนอย่างเมื่อกี้นั่นแหละถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินอะไรก็เหลือแต่จานะกินจนหมดเกลี้ยงเหลือแต่จานนั่นแหละกว่าเราจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอวิชชาอวิชชาทีนี้เรามาตั้งใจเจริญกรรมฐานเรามาตั้งใจภาวนานะ เราตั้งจะตั้งสติเราตั้งสัมผัันย่ตั้งกำลังดจดจ่อดูเนี่ยอ๋อกว่ามันจะกว่ากิเลมันจะแทรกเข้ามาปรุงที่จิตเราได้เนี่ยยาวมากนานมากบางทีจับๆมาเรารู้ทันก็ดับไปแล้วเย็บๆมาพอเรารู้ทันก็ดับไปแล้วมันต่อเนื่องไม่ได้กามฉันทามาปรุงไม่ได้พยาปาทะี่มาปรุงไม่ได้ถีนมิทธะเนี่ยมันเกิดที่จิตไม่ได้เนื่องจากว่า มันมีตัวปัญญามาคอยตัดตัวนี้เป็นตัวที่ไม่สงบไม่ระงับไว้เฉยๆเป็นตัวมาตัดมาตัดคือมาทันจิตของเรานั้นมันจะรับอารมณ์รู้ชัดเจนครั้งละอันครั้งละครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งจะไม่สองชัดเจนที่สุดึ้นหนึ่งตราบใดที่จิตเรามีสติจิตของเราจะเด่นอยู่กับหนึ่งอยู่กับอยู่กับอารมณ์หนึ่งชัดเจนที่สุดอยู่กับอารมณ์หนึ่ง แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมผัสฉันยะเนี่ยจิตใจของเรามันแตกกระสานสร้างเสียนไปหมดเป็นห้าเป็นสิบเป็นอะไรอะไรดูไม่ชัดอะไรสักอยา่างดูไม่ชัดสักอยา่างในเมื่อจิตเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วอารมณ์อื่นก็แทรกไม่ได้มีสติก็กลับแล้วอารมณ์อื่นก็แทรกมาได้ในเมื่อแทรกมาได้เราก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าเราอยู่เฉพาะหน้าเรากำหนดจอดูงานเต็มที่เลยดูสัจธรรมนี่แหละดูกองทุกเนี่ยละ กองทุกที่เป็นอารมณ์กองทุกที่เป็นรูปประธรรมกองทุกที่เป็นนามธรรมนี่แหละเราก็มุงจดจ่อดูนี่พระพุธทธเจ้าท่านก็นมาวางหลักเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเราลองไปหัดพิจาราไล่ย้อนไปย้อนมาย้อนไปยอไป้ยอนมาย้อนมาย้อนไปจะทําให้เราเป็นผู้หนักแน่นในเหตุในผล เวลาเราคิดจะแก้เหตุแก้ผลแก้อะไรมันก็จะรู้สึกว่าใกล้เคียงถ้าเป็นการวินิจฉัยก็วินิจฉัยใกล้เคียงหรือไม่กับตรงหรือไม่กับถูกแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นความเห็นที่ละเอียดมันเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นตรงตามที่มันมีตามที่มันเป็นไม่ใช่เราเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็ไปว่าอีกอย่างหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งไปว่าอย่างหนึ่ง เห็นผลอันหนึ่งแล้วก็ไปว่าเกิดมาจากเหตุอีกอีกอันหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างกันแหละเช่นอย่างเราจุม่มเอาแปรงจุม่มนลยแหละเราเอาแปรงจุ่มเราเอาแปรงเราเอาแปรงจุ่มสีดำํำเราเอาแปรงจุ่มสีดําแต่เราไปป้ายเราไปไปขีดไปป้ายเนี่ยเราต้องการให้เป็นสีขาวคือเราต้องการให้เป็นสีขาว คำว่าสีขาวคือความสุขความเจริญนั่นแหละที่เราต้องการจะทําต้องการให้เกิดความสุขความเจริญแต่ในขณะเดียวกันเราไปทําเหตุเท่ากับว่าเราแปลไปจุ่มสีดําอันนี้เมื่อเราไปทําเหตุยังไงผลก็ต้องเป็นไปตามผลก็ต้องเป็นไปตามเหตุแค่เราคิดเราหวังว่าเราต้องการจะขีดให้เป็นสีขาวเป็นความคิดเฉยๆแต่เราไปสร้างเหตุผิดแล้วไปจุ่มสีดําเพราะเวลาไปไป้ายมันก็ต้องเป็นสีดํา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาไม่สมหวังสิ่งที่เราปรารถนาไม่ถูกต้องไม่ไม่ได้ตามใจไม่ได้อย่างใจอาศัายข้อนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่เร า, าเราหย่อนต่อการพิจิารณาตามหลักของเหตุของปัจจัยเรามาสายหลักปัจจัยาการนี้พิจารณาจะทำให้เราเป็นผู้หนักแน่นในเหตุในผล จะทําให้เกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญายที่ละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปนึกเข้าไปจนเหตุผลที่ชัดเจนแจน่มแจ้งแล้วก็จะมีโอกาสขยับเข้าไปขยับเข้าไปสู่หนทางของธรรมะธรรมะจะพึงเกิดขึ้นภายในใใหัวใจของเราได้เนี่ยนี่เราพูดเราพูดถึงเราพูดถึงคืนที่พระองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะแล้วก็มาเสริมเป็นอันเป็นการขยายให้ให้เข้าใจเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ย ไล่ไปไล่มาเป็นเหตุให้พระองค์ได้อัดสักยายานให้ตรัสรู้เป็นพุทามาสัมพุทธะรวมลงในวันนี้ประสูติตรัสรู้ปรินิพานเพราะฉะนั้นพวกเรามารวมกันวันนี้จเจ้าภาเวียนเทียนเป็นอมิสกูชาด้วยแล้วก็มีโอกาสได้นั่งภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาด้วยปฏิบัติบูชาที่นี่เสร็จแล้วเราไปที่ที่เราพักล้วก็ไปเดิน ก็ได้เราไปนั่งก็ได้ตามกติเรามีชายคาเป็นที่เดินแล้วก็เดินได้กลัวก็ออกมาเดินสองคนสามคนก็เดินได้ตามคนตางเดินนยังไม่นอนเสียสละเสียสละเอาบุญตั้งใจภาวน า, าบุญตั้งใจเดินจนกลมเอาบุญกลับเข้าไปข้างในแล้วก็นั่งภาวนาให้ได้ตามที่เรากําหนดเอาไว้เป็นปฏิป ต, ปติบูชาปฏิปฏิบูชาผลประโยชน์โสติผลจะไม่ไปไหน จะหลังไหลข้าสูงหัวใจของเราของท่านด้วยกันทุกคนพยาญนะการเดินเวียนเทียนนะเดี๋ยวเราลงจากนี้ไปเราจะจุดเทียนจุดธูปเสร็จแล้วก็เดินเดินบริกรรมไปสามรอบรอบแรกเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือถ้าเราไม่เราไม่ว่าพุทธโธเราก็ว่าว่าบทพุทธคุณ พิธีพิโสปขวารังสัมมาสัมพุทธทวิชายเจริสัมปันโนสุขตโลควิทูอนุตโรภุริสธรรมสาซาิสาทัทธาเทวมนุษย์นังพุทธทวิควาติตั้งใจว่านะตั้งใจว่าว่าในใจไม่ต้องออกปากเอาใจว่าจริงๆไม่เอาปากมุมิดมุบมิดเอานะเอาใจว่ามันจะทำให้ใจเราชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นการเริ่มหัดใช้ใจเป็นการฝึกใช้ใจ หรือไม่ถ้าเราไม่ว่าบทพุทธคุณทั้งหมดเราก็ว่าพุทโถพุทธโถพุทธโถเป็นการเดินบริกรรมไปควาพุทธซ้ายโถควาพุทโถพุทโถควาพุทธซ้ายโถไม่ต้องเดินไม่เดินไม่เดินคุยกันเป็นการภาวนาไปรอบที่สองทำโมทำโมทำโมทำโมทำโมทำอริพิงคพระธรรมรุติเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันเป็นก้อนอันเดียวกัน ธรรมโมธรรมโหรือไม่เราก็บวว่าบทสวขาโตะอะไรสวขาโตะภควัตตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอปิโกะอปนยุโกะปัจจตังเวทิตโพวินโยห์วายถูกว่าจนจบรอบที่สาว่าสังโฆบทสังโฆสังโฆสังโฆหรือไม่กับทสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโสาวกสังโฆว่าไปจนจบเนี่ย ตั้งใจทาให้ตลอดอย่าย้า ใ, ใจมันลอดเอาลองจับตัวเองดูในรอบที่เราเดินรอบสามรอบนี่ใจมันลอดไปข้างนอกได้สักเท่าไหร่รอบแรกใจมันลอดไปกี่ครั้งรอบที่สองใจมันลอดไปสักกี่ครั้งรอบที่สามใจมันลอดไปสักกี่ครั้งถ้าไม่ตั้งใจถึงขนาดนี้นี่เดินเฉยๆเท่านั้นแหละถ้าเราไม่มีความตั้งใจประโยชน์มันก็ไม่มีอ น, นิสงส์มันก็ไม่มี หมดละพอสมควรกี่เวลา